หนึ่งสามิบสามิจฉาทิฐิ62สหมดสิ้นผลสัตว์ตาวาดเก้าซึ่งหลงจมอยู่แต่กับอดีตและอนาคตการถึงห2ทิทิฐิครบหมดในความเป็นมิจฉาทิฐิเพราะประเด็นหลงงมโของอยู่แต่ในภาวะที่เป็นอดีตกับอนาคตนี้คือ มิชาทิธิทั้ง62ทิทิธิแล้วเจึงหมดสิทธิที่จะพ้นสัตตาวาดก้าวกันได้เพราะมีแต่อดีตกับอนาคตก็ไม่มีกายที่จะกำหนดรู้สัญญาในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั้งหลายสำนึกสำเนียกันบ้างไหมที่พากันมี คิดถูกปาทานในประเด็นอดีตกับอนาคตนี้ต่อให้อยู่ในปัจจุบันห้าทิฐิแล้วถูกทางบรรลุธรรมแบบพุทธสัมมาทิฐิได้แล้วขั้นหนึ่งก็จะปฏิบัติกันเป็นปัจจุบันให้พ้นกามคุณหหรือสัมมาฌานอีกสีฌานที่เข้าใจตนเองได้ว่า ตนปฏิบัติไม่จมอยู่กับฝันแล้วตนปฏิบัติอยู่กับความจริงไม่หลงผิดงมงายปฏิบัติกันอยู่แต่ในฝันซึ่งต้องมีผัสสะหกอายตนะหกเวทนาหกตันหาหกอันมีพร้อมภายนอกหกก็จะง่ายกันอยู่หรือ ดังนั้นที่หลงผิดปฏิบัติแต่ในขณะไม่มีสัมผัสหกอาญาธนาหกเวทนาหกตันหาหกไม่มีภายนอกพร้อมแล้วหลงกันว่าจะได้นิพพานถ้าไม่มีภายนอกหกอย่างนั้นมันก็หมดหวังนิพพานแน่นอน ศาสนาพุทธทุกวันนี้ทำผิดที่462ดังกล่าวนี้กันอย่างน่าสงสารมากหลงจมอยู่กับเจโตสมาธิและพราวังก็ผุดกันอยู่ในข่ายตามพระพุทธดำรัสนี้จริงๆตรวจสอบกันให้ดีๆเถิด